ความดีกว่าความชั่วเลยพวกนั้นพวกเราจะไปทางไหนให้ถามตัวขอ ง, ของพวกเราะจ่เนี้พอพระอินทร์มารับพระเจ้าแผ่นดินมิถิลาเาอื้อร่องลอยมาจากอากาศาไม่ไปข่าวนี่จะไปขาวไหนไปสวรรค์แต่นี่ตกลงไ ป, ไปแก็ขึ้นไปบนราชเปรตชยานรถของพระเจ้าของพระอินทร์พระอินทร์ก็บอก พระเจ้ามิถิลาก็นั่งอยู่ในในที่ประชุมอํามาตย์ทั้งหลายเออเราไปแล้วนะนะมีโอกาสแล้วเราจริงจะกลับมาเอาพวกท่านทั้งหลายบริหารประเทศชาติไปนะ เ, เราจะไปดูสวรรค์ก่อนแต่ทีนี้นก็พอขึ้นไปบูรุษบนชั้นสวนรรค์ก็เทวดาทั้งหลายก็ยินดีอนุโมทนาเห็นพระเจ้ากรุงมิถิลาขึ้นไปจากนั้นพระเจ้า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 ทนี้ก็แต่พระเจ้ามิถิลานุบุญอายุยืนจากนั้นพระเจ้ามิถิลารุ่นหลานรุ่นเหลนเจ็ดชั่วโคตรเป็นรุ่นที่เจ็ด น, นับจากพระองค์ลงไปขาเข้ามาแห่กบวนเข้ามาเพื่อจะแห่เข้าไป เ, เข้าไปในเมืองก็จะถวาราชสมบัติคืนแต่พระเจ้าแผ่นดินบอกว่าเออหลานเหลนเราเคยเป็นพระเจ้า ปกครองเมืองนี้สมัยนูน้นอุทยานแห่งนี้ตรงนั้นไปนี่ตรงนี้ไปอย่างนั้นคือเกาะเกาะแขนกับปลานกับเหลนเที่ยวชมสวนอธิบายให้ฟังแต่เหลนนี่ก็มั่นใจว่าเนี่ยประเจ้ของมิถิลาเป็นทวดของเราจริงๆท่นบอกอะไรถูกมดแต่ท่านก็บอกว่าเราไม่ขอรับราชสมบัติ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 ไม่รับอนิสงส์ที่พระอินทร์แบ่งให้ในค่าวที่อยู่สวรรค์นี่แหละอันนี้พระพทธองค์พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าการรักษาสินอุโบโสถเนี่ไปสู่สวรรค์ได้นะอนาณศัทธายาตโยมท่านพูดที่ท่านตรัสไว้ที่วัดเชตตะวันมหาวิหารท่านว่าสีเลนะสุขติงยันติพูดที่จะไปสู่สุขติได้เพราะสิลสีเลนะโภคสัมปทา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 ค้ากำไรเกินควรนะหลวงพ่อว่านะค้ากำไรเกินควรนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรแต่เราก็มีจะขอกับขอมันก็ไม่ถูกมันกันนะอนะนัจธาญาโโยมลูกลานนะควรสร้างคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในความประมาทต่อนนี้ไปพานาสง์จะอนโมธนาให้พร